ทำนำไปปฏิบัติ <c oughs> มันยังสนางใส่ได้บนฟังแล้วทิ้งใส่บได้จังสันเสียเมื่อบันทียี่สิบแปดผมบอกไว้ถ้าหากคู่ใดบ่พอใจฝึกหัดตัวเองนี่มต์ไปหาจาบรรษาทั้งอื่นก็ได้ผมบอกจังสันเพราะมีเวลายุเป็นวันที่ยี่สิบแปดตื่นมาเป็นเวลาวันที่ยี่สิบ้า ประจําพรรษาทันวันที่ย9บเก้าตอนเศร้าผมก็บอกอีกตืมถ้าหากบ่พอใจฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเอง น, ะะนี่มันประจําพรรษาท้งอื่นเพราะว่าสําหรับทับวิ่งขวดเนี่ยเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าขุดคลองน้ํายังม่ได้มาอยู่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบ กัยังบนั้นจะเข้ามาอยู่ปี2534เมื่อกี้ที่เรามาจำพันษาช่วยกันธนุถนอมบำารลุงกันมาทุกคนช่วยกันสร้างเสริมทัพมิ้งขวนให้ดีขึ้นทัพมิ่งขวนนี่เราจัดการให้เป็นสถานที่ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่เจ่ว่ามาทำลายตัวเองทำลายสังคมผมสร้างบาว่านังซื้อพิมพ์ไม่ต้องดูผมบอก การนุ่งเสื้อนุ่งผ้าห่มเสื้อห่มผ้าการไตาการมาการพูดการจาเราต้องฝึกหัดทุกคนเพราะเราจะฝึกหัดตัวเราดีแล้วจะได้สอนคนอื่นให้เป็นครูต่อไปนั่งก็นั่งดีๆยืนก็ยืนดีๆห่มผ้าก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างใส่ได้จะเป็นครูของคน ไม่ใสอยากทําอัะไรทําไปตามอารมณ์นั่นบเมนเ o าเว้ากันแล้ววะสติความระลึกได้มันบบเมนรละลึกได้มันคิดแล้วมันเวิวไปซื้ อ, อมันเข้าไปในความคิดว่าทุกคนแบบนั้นว่าไม่มีคนมีสติคําว่าสติความระลึกได้พอดีเว้าไปปุ๊บปุ๊เปิดออเราวิาไปด้วยความคิดวิาไปด้วยอารมณ์สติคนาระลึกได้ได้โ่เมนระลึกได้เอาจับยงัง ความรู้ตัวหนึ่งสติคนรู้ได้ซ้ำปัจจัยรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กลับความคิดประเทศนี้มันอยู่ด้วยสติปัญญาหรือหรือมันอยู่ได้โมหะโทสะโลภะเราต้องรู้จักถ้าหากไม่รู้จักกัง้นก็แสดงว่าคนนั้นอย่างเบได้สุดขัดตัวเองที่ผมบอกนี่มือนี้เป็นมือแหลมแปดคเข้าพันศาพานมาแล้ว เป็นเวลาเจ็ดมื่นการงานทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องฝึกจริงๆถ้าใี่โบฝึกเกิดในมวลประจำภาษาทางอื่นก็นได้เดี๋ยวนี้พันศ า, าหลังยังมีครับผมสั่งต้องเสื้อฟังอันนี้เป็นคําสั่งได้ครับคําสั่งบอกให้ทํำอย่างนั้นต้องทําทบทําบได้มันเป็นการลบร้างมันเป็นการเนล่าคณ ผมพูดด้วยความจริงใจเพื่อความหวังดีต่อพักพวกทุกโอ์เลนคือการพระคือกัญยาโยมคือกันอือย่ากืือว่าผมดีแล้วดะโบดีควมดีของมือมองซื่อๆนั่นเนี่ยทอกําปั้นเนี่ยควมดีของผมทอกลิก้งดีกว่าทําไมจึงว่าดีกว่าขันมือขันว่าผมโบดีคนมาจําพรรษานำผมหลายคนท่านดีขัประจำนำนำํานํานอืำให้คิดจังสิยุตเสมอ ผมวังดีมีคนมาผมก็รับตอ้อืโบมีทางไปผมรับวังว่าทุกคนต้องแก้ได้เรื่องนิสัยใจคออย่าเว้าไปตามมันกูดีแล้วละกูเป็นยังไงบ้างสิโแมเอดีอยู่เจ้าของเหตหักบ่เป็นเอามันบูถูกต้องถูกต้องอยู่ทุกต้องตามแบบกิเลรเออมันเป็ น, นบนโบมันถูกต้องด้วยสติปัญญาได้ครับงานทุกชิ้น บนรับอนุญาจากผมโบต้องทําคําพูดที่ไปพูดกับญาติโยมทุกคำํำถ้าบนรับจากผมจะไปพูดพูดแล้วมันเสียผมเด็ดค่ะเออหลวงพ่อเทียนสอนคนอย่างสันติเนี่ยความจริงผมบม่ได้สอนอย่างสันมผมสอนให้คนรู้จักตัวเองเคารพนบนอนตัวเองทีแรกผมบอกไว้ให้รู้จักสถานที่เคารพสถานที่คืออย่างทัพนี่งหัวเนี่ยให้รู้จัก สถานที่ทัพ น, นี้ควรควรทําอย่างไดเคาลบวันนี้ครูบาอาจารย์บุคคลนะควรเคาลบย่างไดเด็ดต้องเคาลบที่จริงแล้วเคาลบสถานที่เคารบตัวบุคคลนะเคาลบตัวเหาถ้าเหาไ่รู้จตัวเหาแล้ยิไปเคาลบสถานที่ได้อย่างใดไปเขาลบตัวบุคคลได้อย่างไดผมรู้จักธรรมะอันนี้มาผมยกมือไหว้ตัวเองได้ครับ เลือกละทุกประเภทครับอนอนมือเศร้าตีสองสามสิบหรือตีสามอย่างซาที่สุดออกลุกล้างหน้าทุกองค์ครับสั่งนั่นเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้คันท้าปฏิบัติอย่างนี้ก็นิมนต์ไปลดเมื่ออื่นได้ครับเพราะผมจิผพิษจริงๆปีนี้มือเศร้ามาอย่างน้อยคันท้ีสามหรือตีสองสามสิบลุกออกมา รังนางสมาธิไฟบัวให้ใต้บัวให้ใต้ไฟฟ้าบัดเนี่ไต้ไฟฟ้าผมกินไต้ปิงจุดใส้ขั้นจุดหนึ่งแล้วก็นี่จุดหนึ่งจุดไต้สามจุดพอแล้วจุดนั้นถ้าเจรินแต่จุดนี้บางทีอาจผมอยู่นี้อาจจะใต้เวลาแด็ได้ผมต้องการใต้กันเพื่อจะหมดใจไปแต่กูดสาหรับห้องกรรมฐานนั้นต้องไต้เทียนหาเทียนไปรไต้ซื้อเทียนไขประจําใต้ไฟแย่าไปจุดกูติวิหารมันบูดี อันนั้นว่ามันบดีแล้วแสดงว่าเจ้าของบดได้เคารพตัวเองบดได้เบื้องการเบื้องงานมั้ยยังนี่ว่าเจ้าของเฮ็ดดีแล้วมันผิดอนะไรซึ่งมันผิดผมบอกคําว่าสตินั่ะครับมันบดไม่ผมคิดได้สติขุมคิดกับสติเป็นคนละอันกันเนี่ยขมคิดแต่มันคิดไปเรื่อยเรื่อยไปคิดอันนั้นก็ดีคิดอันขุมคิด เมื่อสติระลึกโอ้กูคิดเด้เนี่ยอืแปลว่าสติคนระลึกได้บ่เนี่ยระลึกได้เราคิดบ่รู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วบ่รู้ตัวแล้วลโอ้คิดเมื่อกี้นี่มันผิดเด้ทำเมื่อกี้มันผิดเด้เนี่ยเอิ้นว่าเอิ้นว่าผมรู้สึกตัวฟังให้เป็นเรียนมาแล้วเอาไปใส่บอดันสู้หมาที่เหินบอดา กรมหูแบบนั่นมันก็นดีอยู่แต่เป็นกรมหูแบบโลกรคๆยาวกมหูแบบโลกโลกมาวากันสถานที่ที่ตรงนี้สถานที่ที่ฝึกหัดให้คนมีจิตใจสูงแล้วบัไเอฝึกหัดให้คนจิตใจต่ําซิ่งเซฟติดทุกประเภทบวให้นําเข้ามาแทนําเข้ามาตั้งแต่มือนี้สั่งเด็กขาดอดนิมนต์ไปรดหนังสือพิมพ์ทุกประเภทบุตจอมมาอ่านทีน่นี้เขาอ้านกันมาพอแล้ว เฮาอานหนังสือพิมพ์มาได้เป็นรัฐมนตรีจากคนอยู่นี่โบได้เป็นได้เป็นผู้บริหารงานจากคนโบมีผู้เด่เป็นบริหารจากคนเรื่อ ง, งสั้นเหมือนเรื่องของโลกเฮาที่สแสวงหาธรรมะซิ่งที่คนโบเคยสแสวงหานั้นให้มาแก้ปัญหาตัวเฮาเมื่อเฮาแก้ปัญหาตัวเฮาได้แล้วเฮาจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ เมื่อเขาแก้ปัญหาตัวเขาบ่ได้จีบไปแก้ปัญหาผู้อื่นบ่ได้เขาบนนับถือเขาดีบ่แพ้ยังสู้ผ้าเสต็ทเอาเขาบ่ได้ดีนะนี่ไม่เป็นอะไรท่านคันสู้ผ้าเสต็ทเอาเขาบาา่ได้เขาจีบเขารบเพย์ยังผ้าเสต็ทเนี่ยเจ้าของดียังสั้นตีอันนั้นกูก่เฮ็ดเป็นอันนี้กูก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดแล้วมันบูทุกจังหวะทุกจังหวะเจ้าขอ ง, งซื้อผู้อือ่นเขาว่าบ่เห็นดีแล้วมันจะดียังไงให้คนอื่นเห็นดีให้คนอื่นเขาว่าเขาดี อย่าไปว่าเขาดีจักเธอทุกคนผมสั่งเนี่ยเป็นคำสั่งอันเนี้ยถ้าหางว่ากูดีแล้วเสนโอ้เสียแล้วคนนึงบ่นี่คนดีแล้วคุณเสียว่าดีเอาตัวเองแล้วได้นี่ยเขาว่าคนบ่มีดีอวดดีซื้อๆ อ, อันเน่ยคนดีแล้วบ่ต้องอวดดีเขามาหาคือยังเขาสร้างทับยังขวดนี่แล้วนี่ยเขาบ่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องไม่ยัง สตางหนึ่งสองสตางร้อยหนึ่งพันหนึ่งเขาไม่ได้ไปค่ยแทนผมคิดว่าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงพระทุกองค์เนรทุกองค์งานโยมทุกองค์งทำดีไวน้นี้เขาเกิดสตาผมไปเทศขจเจ้าก็ให้มาเธอละร้อยสองร้อยเธอละพันเธอละหมื่นก็มีนะครับขจเจ้าให้มาผมบ้ได้เห็นยังผมพยายามทำเพื่อหมู่มู่ก็ทำเพื่อผมมู่ทำดีบ้มไม่ทำดีให้มู่เด้่ยทำดีให้ผมผมทำดีบ้นม่ผมทำดีให้หมู่ เออบนบ่ค น, นดึงทันเดียมทำดีให้มู่แล้วซุกคนช่วยทำดีส่งเสริมกันเข้าย่าปากอย่าเวาลยาคุยกันโดยที่ไรประโยชน์โดยที่บม่มีเหตุผลผมเบิง้งทุกมือผมเบิง้งพระเนนทุกองค์นุ่งเสื้อนุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่ากืวอว่าอยากนุง่งสังใดนุน่งไปจนคันเหตุดังสั้นทำลายตัวเองทำลายมู่ทำลายสังคมนิมนนิโรธผมบวห่วง ผู้เดียวผมอยู่ได้เพราะว่าผมสร้างคนดีคมงามคนหุ่จักผมหลายคนโมท่านดีนะ่ะเขาไปหาหาบอมิต่เข า, เจาใจไล่นีออกจากสำนักคนเขาไล่นี่จากสำนักเขาเป็นคนดีบอ บ, บดีคนซัวให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนซัวเขายังอยากให้เขาหนีไทยโบยาณปากอยากว่านําเขาแล้วซื่อว่าเขาสูวแล้วให้สำนึกอยู่เสมออันนี้มีคนไปคนมายกมือไหว้อันนั้นคนดี มีคนไปคนมาถามเขาโบยจากปากอะไรซึ่งบอกขนตัวให้เข้าใจสั้นเฮาดีแล้วพ่อแม่ไอ้น้องดีนาําเฮาเฮาดีแล้วเพื่อนฝูงดีนำเฮาเฮาไปทางใดนิมนต์มาสอนผมเด้อครับเฮามีคมหู้บแม่นจิ้หูแต่เว่าซึ้อๆการกระทํามันเสียนั่นมันบุคุ้มคาได้ครับอย่าให้มันเสียถึงการกระทําอย่าให้มันเสียถึงการพูด อย่าให้มันเสียในการสอนให้มันได้สามอย่างนี้ซื่อว่าพระธรรมพระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระเวาพระนึกพระคิดเขาเอื้นพระธรรมพูดเสียออกไปทําเสียออกไปคิดเสียออกไปเขาว่าผีเวาบนพระเวามันเสียอน่นให้เข้าใจว่าพระธรรมคือเฮานี่แหละธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมเนพระพุ les, ทธเจ้าก็เคารพพระธรรมนี้ก United, them, ับพระธรรมเนี صل, hmm. ่ต <esi àn S 2> ัวเหาเนี่ยพระธรรมคันธะเหาบ่เห็นนังซียเหาเจเบอเห็นพระธรรมจากเธอเหาเจเบอได้ไปสอนพระธรรมจากเทธอเหาเจเบอได้เห็นพระทรงผู้ปฏิบัติตามพระธรรมจากเธอพระทรงก็คือตัวเหาเนี่ยปฏิบัติตามตามสติปัญญาอย่าสู้ตามความคิด อันคุณให้ไปตามความคิดนันโบแมนเขาเอืน้นวิปัสสนุอุปกิเลสิบหกประการผู<ม>้ได้เรียนเป็นมังหะมหากรรมในะอยู่นี่มูท่านเขียนหนังสือเป็นทุกองค์อ่านหนังสือได้ทุกองคพรมเขียนหนังสือบเปลี่นอานหนังสือเป็นแต่พมเป็นคนพูดก็จริงทําก็จริงะทําไมพูดจริงทําโยให้ว่าคนเทศอำเภอหนึ่งเนี่ย ที่มาพิษธรรมะอันนี้ขึ้นมาผมว่ายาคิดคนจำนวนในเมืองไทยเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคนบ่พอล้านคนได้วอาธรรมะแบบผมนี่ครับจังหวัดเลยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยผู้หนึ่งครับเริมปฏิบัติมาเป็นโยมีเสด้วยนี่นะครับอืผมเสียสละทุ่มเทมาตั้งแต่เป็นโย ม, มครับผมว่าธรรมะอันนี้ทําให้คนทุกคนคนทุกประยุกตจริงจริง ความทุกข์นั้นเขาบูหุจักคือว่าเอาทุกข์นั้นมาเป็นความสุขฟินว่ายาเห็นทุกข์เป็นสุขว่าไงยายเห็นผิดเป็นทูกข์ยาเห็นนรกเป็นสวรรค์ยายเห็นโกงจักเป็นดอกบวนมันเห็นไปดังนั้นเห็นผิดเป็นทูกข์แต่แท้แต่กอเห็นทุกข์เป็นสุขเป็นซั่วเป็นดีไปว่าไงบ้านมาปฏิบัติธรรมมีโอโบแมนอันทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขผิดเป็นผิดทูกเป็นทูกคนเอื่นสัตว์ จะเว่าของจริงความเห็นจังใดเพิ่งกล่าจังสันแล้วนี่เป็นของจริงโดยสมมุติคุณเอิ้นสมมติบัญญัติขึ้นมาเขาโบเสื้อฟังนด้ครับคุณเอิ้นสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติบัญญัติขึ้นมาเพราะมันโบดีคนโบเห็นดีเพราะเอิ้นบัญญัติขึ้นมามันโบดีว่าไงอัฏฐะบ่นอัฏฐะก็คือโทคมคิดทูนแล้วบ่นอัฏฐะบัญญัติมันคิดขึ้นมาเขานื้คิดกัจังสัน อธิยะบัญญัติอธิยาบุคคลได้บัญเยอะจังเป็นอันผู้มีสติครับมันคิดขึ้นมาเลยเห็นดูโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่อันนั้นพุทธเอิญมีสติอสติจิ้งคุมระลึกได้จำปาสัญญาคามรู้ตัวแล้วมันคิดเมื่อกี้เนียวใสเอาตัวหนีไปสองตัวหลังไปได้ครับนี่ผมตั้งใจมาโพดมาวาให้ฟังอืมการงานทุกชิ้น บนรับคำพูดจากผมอย่าไปทำทุกอย่างทีเดียวตั้งเด็ดขาดมือนี้ถ้าหากให้บ่ปฏิบัติอย่างนี้มืออื่นเท้านีมมนา่งบนประชันจ้าหันหน้าก็ได้บบงอครับมบงอเท่เพราะผมจะพยายามพิษที่ตรงนี้เทๆปีนี้ครับจำนวนพระอยู่นี่เนอยู่นี่ผมว่าได้จากสองสามองค์ก็จะดีเนี่ผมตั้งใจว้อย่างไรทุกองที่ผมว่าน่าโ ย, ยมคือกัน มานี่ยบองอบองอแท้ๆจีงอจังไดขันงอคนจีมันจเส้สอนคนดีบอกมันก็ไปเอาเอาใจคนสนวุวบมอต้องเอาใจสอนทุกอย่างผมสูบุรีครับเท่านั้นผมว่าเห็นสูบุรีมันโก้ครเลยยากระป่องคุณ่ามือแดงมดพอดีผมปฏิบัติธรรมนา น, นเลิกได้ตัง้งแต่เบอร์นเท้ามือนี้ครับ สิ่งที่ซั่วๆผมบ่เอามาเวาผมบ่เอามาคิดแท้ๆบ่เอามาเวาบ่เอามาทำบ่เอามาคิดคิดยั้งมันเสียมันเป็นนิสัยยัว่าการละนิสัยละสันดานนี่ละยากรังว่าย่าปากอยาว่าเบิ่งตัวเห่าเขาจะละได้ถ้าห้าหักฟางเตวาแล้วบ่ได้เบิ่งตัวเหา่ า, หา เ, เ, า ด, า เ, เาด้ครับมันจิละบ่ได้เด็ละบ่ได้เป็นคนบ่ดีเด้ครับ ม อ, อ, อ, อ, องซื่อๆเหาละได้แล้วก็ดีเฮาดีเฮาจังใดโอเจ้าก่อนพระองค์นั้นเนรองค์นี้เป็นอย่างนันพันษาแล้วเป็นอย่างนั้นพรรษาก่อนๆเป็นอย่างนั้ น, นปีนี้คือรู้สึกว่าดีขึ้นจักน้อยทอมิเข้าเปลี่ยนกันอย่างดีนะครับต่อมาปีต่อไปทอมิเขาหักครึ่งต่อไปต่อไปก็จะได้เท่ากับทอมิเขาบวชไปอย่างนั้นวันนี้เปเรียบเทียมให้ฟังขี้แกบ กับเข้ารีบแต่เข้าวรีบในะบุรีสามบุษบดเป็นพี่แก่มีค่าขายขายสั่ห่อดีกว่าขี้แก่ดีกว่าเขาดีครับเ mm. ข้าวปลายดีกว่าห่เม mm. ข้าหักเครื่องหักกลางไปดีกว่าหั่นไปได้เป็นเข้าวทีหนึง่งครูบาอาจารย์เขาจะบอกเองดอกเออมีมณฑพระโองค์นั้นไปมีมณฑพระองค์นี้ไปนั่นครูบาอาจารย์ฝึก ด, ดีแล้วนําสุกมาให้เปิ้ลว่า พระพุทธเจ้ามีความสามารถฝึกมนุษย์และเทวดาอันนี้มีความสามารถฝึกยุติ ม, มูอโบเอาผมและกระบวนประโยชน์เนี่ยบมีประโยชน์มันกี่สถานทีครับหนีสดีกัวให้คนที่ผู้มีประโยชน์มาอยู่แล้วข้าอุปกรณ์ใส่ใจกับจีบมากครับถ้าหากคนโบดีนี่มาอยู่นี่ข่าอุปกรณ์ก็มากขึ้นที่อยู่กับขับแคบขึ้นเป็นไง แล้วเอาตัวย่างของคนซัวมาให้คนดีซะด้วยนี่มันบดีอย่างนอันที่ผมว่าให้นี่เสียกลับเนื้อกับตัวทุกองค์ทีเดียวตั้งเด็ดขาดแล้วถ้าหากจะอยู่ก็ต้องตั้งใจลงมธรรมกันไป <c oughs> กลาว่าสามโมงตีสามลุกเดินจมคมทุกองค์ <c oughs> นั่งสมาธิทุกองตอนแรงก็ต้องอาบนา้ำลงน้ำอาบนา้ <c oughs> ยาปากยาเววยาคุยกันจริงๆ นั่งอยู่ในห้องภายห้องเราถึงเวลาแล้วผมจิไปสอบอารมณ์มือหนึ่งสองเท้าถ้ากบปา น, นี้ผมยูคุ้นผมมายยากวันนี้ผมยายเข้ามาอยู่นี่แล้ว <c oughs> ผมกินมาประจําอยู่ที่นี่แหละครับอา่าาถึงเวลาผมก็จะไปสิ้ยากรุงเทพแล้วก็สิกลับคืนมาที่นี่เพราะพยายามกันจริงๆกุศลนั้นบนเป็นหน้าที่ของเฮาผมจ้างข้าเจ้าแล้วปรห ม, มุนี่เฮาขวามู้จินพุงแตกกระโบเ็น โบเป็นครูโบเป็นอาจารย์โบเป็นหน้าที่ที่ไปสอนเขาแล้วเขาโบามีหน้าที่เดชไพสร้างเขามุ้ยไพสร้างหองเฮ็ดเอาคนว่าคนอวดดีันบมีดีในตัวอยากเอาคมซัวไปให้มู้เห็นโบแม่คนดีแล้วเขาจะมีคนบอกเขาเห็นฝีมือมันดีเฮ็ดมันดีเขาจักใสเห็นว่าฝีมือโบดีแล้วก็เขาจางใสเฮ็ดดีก็าตามสร้างโบเอา เงี้ยพอเพชรกะเจเป็นขี้ตมไปเด้บั น, นั้นขี้ตุมก็จะกลับขึ้นเป็นเพชรไปเป็นอาสันเดชความมันบูดีเด้เจ้าของว่าดีเป็นเพชรเป็นนินกะบูดีอ ย, ย่ยาคุยอย่าวาอย่าอ้วดตัวขูเรียนมาสำเร็จสั้นนั่นสั้นนี่ออยสำเร็จสู้มาขี้เหินบดได้กะมีนะผู้เขาหมู่ยังหมู่พ่อหมูดมูลเนี่ยข้าเจะบูได้ไปเรียนสำเร็จมาคนไปจ้างขาเจ้าเนี่ยคนเรียนจบปริญญาเอกมาแล้ว ติดตรางก็มีนี่พ่อควมคิดนี่แหละครับบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาบ่มีความรู้สึกตัวให้ว่าเดียไปเพิ่นว่าคนบ่มีประโยชน์อนสู้มาขี้เหินบ่ได้คนบ่มีขมหูบันเนี่ยคือยังมั่งมีมูอไทยบ้านบ่มมมาจ้างขจามิ็เนี่เขาจะบ่ได้ไปเรียนดอกมูเนี่ยบ่ได้ไปเข้าโรงกลึงบ่ได้ไปเข้าโรงเรียน ลงซ่อมลงอันดคขเจาบุ้เฮ็ดเป็นการกระทำทูกต้องพุ่นเขาเยังว่ามันดีการกระทำบุกต้องเรียนมาจบสั้นใดกระามสร้างมันบ่มีค่าครั บ, รบมีค่าเพราะเขาวา่าว่าเขามีใบประกาศมีใบประกาศได้เงินเดือนเท่าใดบ่ได้จ้อยสามเน่เป็นบ่เปประโยชน์ยังแม่ข่าวคือกันแม่ดำคือกันมีผู้ใดว่าให้ปรบับแปบ๊บโอ๊เกี้ยเข า, าัน มีเรื่องอย่างมาว่ากับยาพ่อสะพรเพ่ อ, อยาพ่อเป็นคนบริหารงานที่ตรงนี้ที่ว่านยาพ่อบริหารงานกับเมนีนเมีนแล้วที่โบเมียนยังไหนเมีนโบเมนีนหลัดเมียนโบกษัตริย์เออก้อนขาเจ้าจีมีศรัทธาข้าเจ้าศรัทธาผมพี่ข้าเจ้ามีศรัทธาได้ข้าเจ้าอย่างยกให้ครับที่ น, นี่พวกข้าเจ้าบมดศรัทธาก็ได้หาเงินสดไใสข้าเจ้าไป มือกันล้านกวัวบาทแล้วได้ห่อเห็ดเดียวครับแล้วมู่บได้ไปหาเงินมาจ้อยคนละพันสองพันเนครับแคนละเมืองกับโบมีมีแต่ผมไปหั่นมานี่เทะท่านเทศนี่แล้วก็มีอาพวกามาให้เขาพยายามทันหนับถนอมกันดูพอทุกคนช่วยกันสร้างดีได้มู่เพิ่มโบได้ไปหาสร้างขมดีไว้นี่บปนเนี้ยไงก็เท่ากับมู่ไปเป็นอย่างนี้ผมไปเด้ข้าเจ้าเอื้นผมเด้เหมืนบัวน้อ แล้วก็มู่ทํางานทางหลังเนี่ยมือนกันซอยๆกันพุทอิญขีดสองปากคีดปากเดี่ยวมาจับเด็กโบยู่คนนึงว่ามันมีขีดสองปากจับเด็กแดงเด็กคอนมันอยู่ได้แตงว่าควมเลือดร้อนควมสับสนวุ่นวายย่านํามาแทะได้ยินทุกองค์ผมสร้างนี่มันบอกครับเลิกตั้งแต่มื้อนีนเป็นต้นไปนางซื้อพิมพ์มเห็เข้ามานี่ผมด่ารถบัเดียวบนพระได้นําำผีแลเดิน คนมันต้องจำได้เนี่ยพี่มันจำบ่ได้ครับคนกับผีจึงว่ากันบ่เป็นผู้มีตาทิพย์จึงเห็นผีคนผู้มีตาทิพย์มื่อกเห็นผีบอกผีคือคนเวายากพูดยากสอนยากก็เกินบักผีโอ้เต้นเกินมันเวายาเนี่ยคเป็นผู้ตายคันผู้ยิงกันมือนี่เกินก็คือผีรอยีผีเกินมันเวายาพระเนนคือกัน ผ้านเนนวอยักกับผ้านี่ก็เป็นผีได้เหมือนเอาบาอยักเนี่ยบ่ปผีคนเหมือนผีรูปร่างหน้าตาแทงขาเป็นคนเขาจิ้งหักเป็นผีใจมันเป็นผีบุปผีตัวคนเป็นได้ครับใจมันเป็นผีเรว่าเลิกละสันดานผีออกไปซะมือเนี่ยมือแปดคำแหลมแปดคำตั้งแต่มือเป็นต้นไป่สิ้นเสพติดทุกประเภทย่านําเข้ามา